ธรรมบทแปลเรื่องภิกษุชื่อหัตถกะภาคที่7เรื่องที่199พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงชาวะถีทรงปรารภิกษุชื่อหัตถกะตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่านะมุนทะเกนะสั ม, มโนเป็นต้นตอนพระหัตถกะ พูดอวดดีได้ยินว่าพิกษุหันตกะไม่ระวังคำพูดกล่าวว่าเชิญพวกท่านไปสู่ที่โน้นในเวลาโน้นพวกเราจะถกกันแล้วก็ไปถึงที่นั่นก่อนแล้วพูดว่าดูเถิดท่านทั้งหลายพวกเดรตีไม่มาเพราะกลัวผมพวกเดรตีแพ้อย่างราบคาบทีเดียว เดียวพูดไม่ระวังพูดแล้วกลับคำเป็นอย่างอื่นตอนลักษณะสมณนะและผู้ไม่ใช่สมณนะพระศาสดาทรงทราบว่าภิกษุชื่อหัตถะทำอย่างนั้นจึงรับสั่งให้มาเฝ้าแล้วตรัสถามว่าหัตถะได้ยินว่าเธอทำอย่างนั้นจริงหรือเมื่อเธอรับว่าจริง จึงตรัสว่าเหตุไฉนเธอจึงทําอย่างนั้นด้วยว่าผู้พูดเท็จเช่นนั้นจะชื่อว่าเป็นสมณนะเพราะเหตุศัก์ว่ามีศีรษะโล้นเป็นต้นอย่างเดียวหาไม่ได้ส่วนผู้ใดระงับบาปน้อยหรือใหญ่ได้ผู้นั้นแหละชื่อว่าสมณนะแล้ได้ตรัสพระกาตานิว่า ผู้ไม่มีวัดพูดเหลาะแหละแม้ศีรษะลน้นก็ไม่ชื่อว่าสมณะผู้ประกอบด้วยความอยากและความโลภจะเป็นสมณะได้อย่างไรส่วนผู้ใดระงับบาปน้อยและใหญ่โดยประการทั้งปวงผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นสมณะเพราะระงับบาปได้แล้ว บาลีว่านะมุนทเกนะสมโนอภโตอลิกังภนังอิจฉาโลพะสมาปันโนสมโนกิงภวิสติโยจะสะเมติป่าปานิอนุงทูลานิสัพพะโสสะมิตัตาหิป่าปานังสมโนติปะวุจติ ก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามุนทะเกณนะแปลว่าแม้มีศีรษะโลน้นหมายความว่าเพราะเหตุศักว่าศีรษะโลน้นคำว่าอภะโตคือผู้ไม่มีวัดได้แก่เว้นจากศีลวัดและทุดงกวัดคำว่าอลิกังพนังแปลว่าพูดหลาะแหลกหมายความว่า คนผู้เทศมีความอยากในอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงและมีความโลภในอารมณ์ที่มาแล้วจะชื่อว่าเป็นสมณะได้อย่างไรคำว่าสะมเมติแปลว่าระงรับหมายความว่าส่วนผู้ใดระงรับบาปน้อยหรือใหญ่ได้ผู้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสมณะ พระระงับบาปเหล่านั้นได้ในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัิผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องภิกษุชื่อหัตถะ